45, สีพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระ ญ, ญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกกับหรือกันเมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ และพระโพธิสัตว์ก็ควรจะกล่าวถึงเรื่องกับหรือกันบ้างเพราะท่านกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึงสี่อสงไขยแสนกันนับแต่มื้อเสวยพระชาติเป็นสุเม็ดดาบทกล่าวตามสำนวนเกล่าว่าสีอสงไข่กาไรแสนกันหรือสีอสงไข่กาไรแสนมหากัน ความคิดในเรื่องการเวลาอันยืดยาวของโลกได้มีกล่าวในคำภี์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำภีชั้นแรกก็มีชั้นหลังก็มีในคำภี์ทางศาสนาพราหมกก็มีความคิดในเรื่องนี้น่าจะมีตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลช้านานวิธีหมายรู้ในเรื่องการเวลาในคำภีทั้งหลายดังกล่าวน่าจะสรุปได้เป็นสองวิธีคือ 1. นนับด้วยจำนวนสังขยา หรือนับด้วยตัวเลขเช่นหนึ่งสองสเป็นต้น 2. กําหนดด้วยอุปมาหรือด้วยเครื่องกําหนดอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อมากเกินไปที่จะนับด้วยสังขยาหรือเลขการกําหนดดังกล่าวในวิธีที่สองนี่แหละเป็นที่มาของคําว่ากับหรือกับปะในภาษามคตหรือกันในภาษาสันสกฤตเพราะคํานี้แปล อ, อย่างหนึ่งว่า กำหนดแต่ก็ใช้ในความหมายหลายอย่างเช่นในความหมายว่าสมควรเป็นต้นและที่ใช้ในความหมายถึงการเวลาแห่งอายุตามยุคตามสมัยก็มีเช่นในคราวที่พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารว่าอีกสามเดือนจะเสด็จปรินิพานพระอานุมได้กราบทูลอาราธนาก็ให้เสด็จอยู่กับหนึ่งเพราะได้เคยสดับพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาทสี่ประการ ถ้าจํานงใจจะดํารงรูปกายอยู่ก็จะพึงอยู่ได้กับหนึ่งหรือเหลือกว่ากับหนึ่งพระอาจารย์อธิบายว่าคำว่ากับในที่นี้หมายถึงอายุ ก, กับคือกำหนดอายุของคนในยุคปัจจุบันซึ่งมีประมาณร้อยปีฉะนั้นกับหนึ่งจึงกาหนดว่าร้อยปีส่วนคำว่ากับกันที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่ได้หมายถึงกับที่ใช้ในความหมายต่า ง, างๆดังกล่าวนั้นแต่หมายถึงระยะเวลายืดยาวเกินที่จะนับด้วยสังขยาหรือเลขต้องกำหนดด้วยวิธีอุปมาในเบื้องต้นพึงทราบความหมายอย่างกว้างก่อนว่ากับหรือกันคือกาหนดอายุของโลกหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เกิดโลกจนโลกสลายเหมือนอย่างกำหนดอายุของบุคคลหมายถึงตั้งแต่เกิดจนตาย กำหนดอายุของโลกดังกล่าวคราวหนึ่งคราวหนึ่งเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งมีระยะเวลายืดยาวมากไม่เป็นการง่ายที่จะนับว่ามีจำนวนกี่หมื่นกี่แสนปีแต่อาจจะกำหนดได้โดยอุปมาเหมือนอย่างภูเขาหินใหญ่ยาวโยดหนึ่งวางโยดหนึ่งสูงโยดหนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นก้อนหินแท่งคึบถึงร้อยปีห น, หนึ่งมีบรุษใช้ผ้าทอที่แกว้งกาสี หรือผ้าเนื้อดีมารูปครั้งหนึ่งทุกๆร้อยปีผู้เขาหินนั้นก็จะพึงราบเรียบไปก่อนแต่กลับยังไม่สิน้นอีกอุปมาหนึ่งเหมือนอย่างนครยาวหนึ่งโยศกว้างหนึ่งโยกำแพงสูงหนึ่งโยเต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั่นขนาดถึงร้อยปีห น, หนึ่งมีบุรุษหนึ่งมาหยิบพันธุ์ผักกาตไปเมล็ดหนึ่งทุกๆร้อยปีก็เมล็ดพันธุ์ผรกกานั้นก็จะพึงสิ้นไปก่อน ส่วนกับยังไม่สิ้นกับที่ยาวมากดังนี้เรียกว่ามหากับก็มีกับหนึ่งกับหนึ่งแม้จะมีระยะเวลายืดยาวจนต้องกําหนดด้วยอุปมาดังกล่าวแต่ก็ยังมีคติความคิดของคนในสมัยเก่าแก่ ว, ว่าได้มีกับจํานวนมากมายล่วงไปแล้วในอดีตหมายความว่าโลกได้เคยเกิดดับหรือดับเกิดมาแล้วในอดีตมากครั้งจนนับไม่ถ้วน จนถึงต้องกำหนดด้วยอุปมาเหมือนกันคือเหมือนอย่างสาวกสี่คนมีอายุร้อยปีระลึกถึงกับในอดีตได้วะละแสนกับระลึกอยู่ถึงร้อยปีก็ยังไม่หมดกับที่ล่วงไปแล้วต้องตายไปเสียก่อนอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนทรายในเนื้อที่ตั้งแต่ต้นแม่น้าคงคาจนจดถึงมหาสมุทรซึ่งนับไม่ได้ว่ามีจานวนเท่าไหร่เม็ดกับในอดีตมีจานวนมากมายหรือที่จะนับดังกล่าวเรียกว่า อสงไข์ตรงกับคำว่านับไม่ถ้วนสงสารคือความท่องเที่ยวเวียนตายเกิดหรือเกิดตายของสัตว์โลกทุกสัตว์ทุกบุคคลในกับทั้งหลายนับไม่ถ้วนจึงเรียกว่าอนามะตักคะแปลว่ามีที่สุดหรือที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายที่ไม่รู้ท่านแสดงว่า พระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดเวลาสีอสงไขยคือตลอดกับที่นับไม่ท้วนนั้นสี่ครั้งมีปัญหาว่ามีเกณฑ์อะไรเป็นเครื่องกำหนดว่าอสงไขยห์หนึ่งหนึ่งเรื่องนี้ตรวจดูในพุทธวงศ์พอจับความได้ว่าถือเอาเกณฑ์พระพุทธเจ้าในอดีตดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆได้ตรัสรู้ในกับหนึ่งแลวเว้นไปนับไม่ท้วนกับ จึงมีมาตรสรู้ขึ้นอีกระยะเว้นว่างของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเป็นกับจนนับไม่ั่วนนี้เรียกว่าอสงไขยหนึ่งหนึ่งเป็นดังนี้สีอสงไขยจึงถึงระยะที่นับได้แสนกับย้อนกลับไปจา ก, กับปัจจุบันซึ่งได้มีพระพุทธเจ้ามาตรสรู้โดยลำบับมาจนถึงพระองค์ปัจจุบันฉะนั้นจึงกล่าวว่าสีอสงไขยกาไรแสนมหาการ เรื่องกับที่นับไม่ถ้วนซึ่งเรียกว่าอสงไขยและที่นับได้แสนหนึ่งนี้ท่านกล่าวว่าได้ปรากฏในปุเพนิวัสยานคือความรู้ระลึกชาติขนหลังได้ของพระพุทธเจ้านึกทําความเข้าใจตามคำของท่านเอาเองว่าเมื่อระลึกย้อนกลับไปยาวไกลเหมือนอย่างดูออกไปสุดลูกตาก็คงจะปรากฏเป็นห้วงๆเหมือนอย่างมองไปในอากาศในเวลากลางคืนเห็นดวงดาวทั้งหลาย แต่จะกําหนดระยะห่างกันของดวงดาวเหล่านั้นว่าเท่าไหร่ก็นับได้ยากเช่นในบัดนี้ก็ต้องคิดนับด้วยปีแสงเมื่อมาถึงระยะใกล้จิงพอจะนับได้ในระยะแสนกับก็น่าจะปรากฏพอนับได้เหมือนกันฉะนั้นกล่าวถึงการกําหนดนับในพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่4อุบัติในกับหนึ่งองค์ที่หอุบัติขึ้นในอีกกับหนึ่ง แต่ในระหว่างองค์ที่4ี่ถึงองค์ที่5มีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ท้วนหรือเป็นอสงไขที่หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ที่6 7 8 9อุบัติขึ้นในอีกกับหนึ่งแต่ในระหว่างองค์ที่ห้าและองค์ที่6มีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ท้วนหรืออสงไขที่สององค์ที่10 11 12อุบัติขึ้นในอีกกับหนึ่งแต่ในระหว่างองค์ที่9้า และองค์ที่ส0มีระยะห่างกันมากจนนับกลับไม่ท้วนหรืออสมขายที่สองค์ที่สิบอุบัติขึ้นในอีกกับหนึ่งแต่ในระหว่างที่องค์ที่12และองค์ที่สิบสมีระยะห่างกันมากจนนับกลับไม่ท้วนหรืออสมขัยที่สนับตั้งแต่องค์ที่13านั้นมาจนถึงปัจจุบันหรือว่านับตั้งแต่พัทรักษกัพในปัจจุบันนี้ ย้อนไปถึงองค์ที่13อุบัติขึ้นรวมได้แสนกับท่านใช้วิธีนับย้อนกลับไปแบบพิธีระลึกชาติคือย้อนกลับไปแสนกับองค์ที่13ดังกล่าวองค์เดียวอุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไปส0 0 0 0กับองค์ที่ 14, 15อุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป1 8ื0นกับองค์ที่ 16, 17, 18อุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป94กับ องคที่19อุบัติขึ้นองค์เดียวในกับนั้นย้อนกลับไป92กับองค์ที่ 20- 21อุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป91กับองค์ที่22องค์เดียวอุบัติขึ้นในกับนั้นหรือนี้คือพระวิปัสสีที่กล่าวถึงเป็นองค์แรกในพระพุทธเจ้าจํานวนเจ็พระองค์ในผ่านยักษ์ผ่านพระย้อนกลับไป31กับ องค์ที่ยี่สบสามยอุบัติขึ้นในกับนั้นต่อจากนั้นก็มาถึงพัทลกับปัจจุบันองค์ที่ยี่สิบห้ายี่สิบได้อุบัติขึ้นแล้วโดยลําดับและจะอุบัติขึ้นข้างหน้าอีกพระองค์หนึ่งรวมเป็นพระเจ้าอาพระองค์ในกับนี้เพราะกับนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากกว่ากับมนอื่นในอดีต ท, ที่ท่านเลืกไปถึงจึงเรียกว่าพัทลกกับหรือพัทลักกับแปลว่า กับเจริญในคำพีฝ่ายเทรวาสนี้ได้มีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายในทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่สจนมาตรัสรู้เป็นองค์ที่28กํากำหนดนับได้สีอสงไขยกกำไรแสนมหากรันโดวยวิธีกำหนดนับดังกล่าวนี้จะมีฝ่ายที่นับถือเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยที่กะบาเอประเทศพม่าได้ปลูกไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไว้ แต่ถึงจะไม่ทับถือเมื่อทราบวิธีกำหนดนับของท่านก็อาจจะเข้าใจหนังสือที่ได้อ่านหรือได้ฟังซึ่งมีอยู่ไม่น้อยในสำนวนเก่าโดยเฉพาะก็จะได้ทราบว่าความคิดของคนเก่าแก่นั้นมีอยู่ในเรื่องอายุโลกว่ายอย่างไรเมื่อสรุปความเข้าแล้วคนรุ่นเก่าแก่ได้เห็นแล้วว่าโลกนี้มีเกิดดับเช่นเดียวกับสังขารมนุษย์และมีความเชื่อว่า โลกนี้เมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นอีกคล้ายกับมีชาติทบและชาติหนึ่งชาติหนึ่งของโลกมีระยะเวลายาวไกลเรียกว่ากลับหรือกันดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละระยะเวลาเกิดดับของโลกคราวหนึ่งคราวหนึ่งอันเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วท่านจําแนกออกเป็น4ส่วนคือ 1. สังวัตตะกับแปลว่ากับเสื่อม 2. สังวัตะถายีกลับ แปลว่ากับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเสื่อม 3. วิวัตตะกับแปลว่ากับเจริญ 4. วิวัตตะถายีกับแปลว่ากับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเจริญกับทั้งสี่นี้เป็นกับย่อยคือจําแนกกับที่เป็นอายุโลกออกเป็นสี่กับย่อยเพื่อเรียกให้ต่างกันจึงเรียกกับที่เป็นอายุโลกทั้งหมดว่ามหากับแม้แยกย่อยออกเป็นสี่ ก็เป็นการไม่ง่ายที่จะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ปีหรือร้อยปีพันปีแสนปีจึงเรียกว่าอสงไขเหมือนกันหมายความว่านับไม่ท้วนฉะนั้นกับย่อยทั้งสี่จึงเรียกว่าอสงไขทั้งสรวมความว่าแบ่งกับใหญ่ที่เป็นอายุโลกทั้งหมดออกเป็นสี่กับหรือสี่อสงไขแต่พึงเข้าใจว่าสอสงไขในที่นี้หมายถึงสี่กับย่อยดังกล่าวเท่านั้น ไม่ใช่หมายถึงสี่อสงไข่ที่กล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยเรื่องสี่อสงไข่กำไรแสนมหากันฉะนั้นอสงไขยในที่นี้เท่ากับเป็นอสงไข่ ย, ย่อยเช่นเดียวกับกับย่อยบางทีก็เรียกรวมว่าอาสงไข่กับอันหมายถึงส่วนย่อยทั้งสี่ของอายุโลกดังกล่าวเท่านั้นและใช้เรียกอสงไขยก็เพราะแม้เป็นส่วนย่อยก็นับปีไม่ท่วนเหมือนกันหรือ อสงไขในตอนนี้หมายถึงนับปีไม่ท่วนส่วนในตอนโน้นหมายถึงนับกลับไม่ถ้วนในกลับย่อยทั้งสี่นั้นจะกล่าวถึงกับเสื่อมก่อนหมายความว่าระยะเวลาที่โลกวินาศคือสลายหรือดับวารินาศของโลกมีสามอย่างคืออาโปสังวัตตะวินาศเพราะนา้ำเตโชสังวัตต์วินาศเพราะไฟวายโยสังวัตต์วินาศเพราะลม อธิบายตามคติเก่าแก่นั้นว่าเมื่อโลกวินาศเพราะไฟจะเกิดมหาเมฆกับป่าวินาศคือเกิดฝนตกใหญ่ทั่วโลกก่อนครั้นฝนนั้นดุดแล้วจะไม่มีฝนตกอีกจะเกิดความแห้งแล้งไปโดยลำดับจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นจนถึงดวงที่เจ็ดจึงเกิดไฟประไลกันไหม้โลกจนหมดสิน้นอากาศเบื้องบนจะเป็นอันเดียวกับอากาศเบื้องล่างหมายความว่าหรือแต่อากาศว่างเปล่า มีความมืดมิดทั่วไปครั้นแล้วมหาเมฆกับปะสมบัติหรือก็เกิดกับจะตั้งขึ้นฝนจะตกทั่วที่ซึ่งถูกไฟไหม้ลมจะประคองรวมน้ำฝนให้รวมกันเป็นก้อนกลมเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวแล้วก็แห้งขอดลงไปปรากฏโลกขึ้นใหม่จนถึงวาระที่เรียกว่ากับเจริญสัตว์ที่บังเกิดขึ้นเป็นพวกแรกนั้นเป็นพวกพรหม ในโพรมโรคชั้นที่ไฟไหม้ขึ้นไปไม่ถึงลงมาเกิดเป็นพวกอุปาติกะหรือแปลกันว่าลอยเกิดหมายความว่าเกิดเป็นตัวตนใหญ่โตปรากฏขึ้นทีเดียวพากันบริโภคงวลดินหรือปฐวีรสคือเมื่อน้ำแห้งขอดก็เกิดเป็นแผ่นฟ้าขึ้นในเบื้องบนมีสีงามมีรสหอมหวานสเก็ดดินหรือปฐวีปภะ ป, ป, ปตะกะเครือดินหรือ ปธารตาหมดไปโดยลำดับจากนั้นจึงบริโภคธรรมชาติเป็นต้นว่าข้าวสาลีสืบต่อมาสัตว์โลกจำพวกแรกเหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นโดยลำดับจนปรากฏเป็นบรุษสตรีสร้างบ้านเรือนสืบพันกันมาในชั้นแรกมีอายุยืนยาวเป็นอสงไขยหรือนับปีไม่ถ้วนต่อมาพากันประพฤติอกุศลกรรมด้วยอำนาจของราคะโลภโทสะโมหะ มากขึ้นอายุก็ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจนถึงสิบปีก็พากันถึงความพินาศเป็นส่วนมากเพราะภัยสมอย่างคือสตราวุธโรคทุพพิกาขภัยคือความขาดแคลนอาหารเรียกว่าถึงสมัยมิกสันญีแปลว่ามีความสำคัญในการและกันว่าเหมือนอย่างเนื้อคือเห็นกันฆ่ากันเหมือนอย่างเนื้อถึกแต่ก็ยังไม่พินาศกันหมดทั้งโลก ยังมีสัตว์ที่เหลือตายลบลีไปและกลับได้ความสังเวชสลดจิตพากันประพฤติกุศลกรรมมากขึ้นพากันเจริญอายุมากขึ้นด้วยอํานาจกุศลโดยลําดับจนถึงอสงไข่แล้วกลับอายุถอยลงมาด้วยอํานาจอาสศลกรรมจนถึงอายุสิบปีแล้วก็กลับเจริญอายุขึ้นมาใหม่อีกวนขึ้นวนลงอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงคราวโลกวินาศอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาทั้งหมดนี้จัดเป็นกับย่อยทั้งสี่ได้ดังนี้ สังวัตตกับกับเสื่อมตั้งแต่เกิดมหาเมฆกับบวินาตตกใหญ่จนถึงไฟบารายกันไหม้โลกจนหมดสิ้นดับลงแล้วสังวัตะท้ายกลับกับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเสื่อมตั้งแต่ไฟไหม้โลกดับจนถึงมหาเมฆกับสมบัติตกใจเริ่มก่อกำเนิดโลกขึ้นใหม่วิวัตตกรบกับเจริญตั้งแต่มหาเมฆกับผสมบัติจนถึงปรากฏดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ วิวัตตาถายีกับกับพิตั้งเนื่องอยู่ด้วยกับเจริญตั้งแต่บัดนั้นจนถึงมหาเมฆกับวินาศบังเกิดขึ้นอีกส่วนความวินาศด้วยน้ํานั้นเกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นเช่นเดียวกันก่อนแล้วจึงเกิดมหาเมฆน้ําด่างตกลงมาเป็นน้ําบลายกันย่อยโลกให้วินาศไปเช่นเดียวกับไฟไหม้โลกและความวินาศด้วยลมนั้นก็เกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นก่อนแล้วเกิดลมกับมาวินาศ เป็นลมปละยกันพัดผันโลกให้ย่อยยับเป็นจุนวิจุลไปเช่นเดียวกับไฟไม้โลกเกณฑ์โลกวินาศดังกล่าวนี้คติเก่าแก่นั้นกล่าวไว้ว่าวินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งและวินาศด้วยน้ําในครั้งที่แปดครั้นวินาศด้วยไฟและน้ําดังนี้ครบแปดครั้งแปดหนแล้วจึงวินาศด้วยลมครั้งหนึ่งและส่วนที่สี่ของกลับย่อยหรือวิปทะถทายีกับ ระยะเวลาสัตว์โลกมีอายุ10ปีเพิ่มขึ้นถึงอสงไขยแล้วถอยลงจนถึง10ปีอีกเรียกว่าอันตรกับหรือกับในระหว่าง1ประมาณ64อันตรกับจึงเป็นกับย่อยที่4นั้นแต่บางอาจารย์กล่าวว่าประมาณ20อันตรกับและระยะเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสลูนั้นในยุคที่มนุษย์มีอายุ1แสปีลงมาถึง100ปี เพราะเมื่อมนุษย์มีอายุมากเกินไปก็เห็นทุกข์ได้ยากมีอายุน้อยเกินไปก็มีเกล็หนาแน่นมากยากที่จะตัดสรุรรมได้เช่นเดียวกันเรื่องโลกวินาศและโลกสมบัติหรือโลกดับโลกเกิดตามกติความคิดเก่าแก่ซึ่งติดมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีดังที่กล่าวมาโดยย่อชะนี้ตามกติความคิดเรื่องโลกประไล่ได้มีกล่าวถึงเคธแห่งความประไล่ไว้ว่าไฟประไล่กัน ไม่โลกตั้งแต่พรมชั้นอภัสสรลงมาน้ําประไลกันท่วมโลกตั้งแต่พรมชั้นสุภกินขะลงมาลมปละยกันพัดผันโลกตั้งแต่พรมชั้นเวหัผลลงมาฉะนั้นก็ควรกล่าวถึงเรื่องโลกตามคติความคิดเก่าแก่นั้นต่อไปโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกควรมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ ในตอนต่อไป